โลกธนิวัตอันนี้มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายไม่วุ่นวายแต่ผู้รู้เท่านั้นเองเนี่ยพวกเราทั้งหลายจงพากันทาตนเป็นคนผู้รู้เรามีบุญวัฒนะ มากพอสมควรทีเดียวจึงได้มาทำตัวเป็นคนผู้เดียวได้อย่างนี้บุคคลผู้ไม่มีบุญมากจะมาทำตัวเป็นคนผู้เดียวนี่ไม่ได้เลยดัะนั้นเมื่อเราทำ ตัวเป็นคนผู้เดียวได้มาในเบื้องต้นแล้วในท่มกลางก็ให้เป็นคนผู้เดียวเรื่อยไปจนตลอดถึงบั้นปลายแห่งชีวิตควรทำตัวให้เป็นคนผู้เดียวตลอดไป ให้นึกถึงบุญวาทนาของตนให้มากถ้าบุญไม่มากเราไม่ได้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารไม่ได้ถอนตัวออกจากการครองเลือนมาประพฤติพรหมจรรย์ในพุทธศาสนานี้ให้นึกพิจารณาให้มากๆ เมื่อพิจารณาอย่างนี้นะเราก็จะได้มีกำลังใจประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปชำระตนให้บริสุทธิ์พุทธพ่องเพราะการท่องเที่ยว ม, มาในสงาสารที่ล่วงแล้วมาทำตนให้เป็นผู้เจ้ามองกุนมัว เป็นทุกข์เดือดร้อนมามากต่อมากแล้วนะแต่ระลึกชาติผหลังไม่ได้เฉยๆทำตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะกามคุณนี่เองไม่ใช่อย่างอื่นใดจิตใจนั่นมันผูกพันอยู่กับความรักความใคร่ ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้เหตุฉะนั้นมันจึงวุ่นวายเพราะว่าใไปผูกพันอยู่กับของไม่เที่ยงได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วมีมาแล้วก็ชำรุดสุดโทมไป ไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยเหตุดังนั้นมันถึงวุ่นวายเดือดร้อนถ้าหากว่ามันเที่ยงมันยั่งยืนมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนหละมันก็ไม่วุ่นวาย ความวุ่นวายนี่มันก็เกิดจากความไม่รู้เท่านั่นเองเนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งนี้ควรทําควรพูดหรือสิ่งนี้ไม่ควรทําไม่ควรพูดมันไม่รู้เรื่องมันนะไม่รู้มันก็ทําไปพูดไปผิดบ้างถูกบ้าง เมื่อทำผิดพูดผิดปังกร ะ, ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะความผิดนี่มันไม่เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความวุ่นวายไอเราทำถูกทางแล้วนี่ความถูกต้องนี่เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความระ ง, งับ จากกิเลสปาพฤติรรมกรรมมันชั่วทั้งหลายกิเลสนี่แหละพาให้วุ่นอยู่นี่นะขอให้พากันพิจารณาให้มันเห็นท่านผู้ใดผู้ละท่านผู้ใดเป็นผู้ละตาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางไปก็ดีหรือหมดสิ้นไปก็ดี ท่านผู้นั้นย่อมไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ใครเลยย่อมอยู่อย่างสงบสงบเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านผู้เช่นนั้นก็เราก็พอจะเดาได้แล้วว่าท่านมีความสุขมากทีเดียวอะ่ะเพราะท่านอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยอไม่ทําใครให้เดือดร้อนเลย นี่เราต้องพิจารณาดูพระอริยบุคคลนั่งหลายที่ท่านผู้ไดบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษเนี่ยท่านมีความสุขอย่างไรบ้างต้องเพ่งพิจารณาดูให้มันเห็นแล้วเราจึงจะมีแก่ใจบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติไปเพื่อให้ได้บรรลุ ถึงความสุขเช่นนั้นต่อไปแต่ถ้าหากว่าไม่มันคิดมันพิจารณาถึงท่านผู้มีความเพียรใหญ่มีความอดทนอดกัน้นเอาชนะกิเลสตัณหามาได้อย่างนี้นก็มันก็ไม่มีกำลังใจอ่ะ ถ้าเรานึกได้รู้ได้ว่าอ๋อท่านแต่ก่อนก็ท่านก็เป็นมีธาตุสี่ขันธหน้าเหมือน ก, นกันกับเรานี่แหละบุญกรรมตกแต่งให้มาอย่างนี้เดี๋ยวท่านก็ทำามองนั้นแหละไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วมันก็เป็นไปเองอย่างนี้มันไม่ได้ทุกคนทำมา เอาทุกเป็นทุนมาในสงสารมากมายทีเดียวแหลยเรียก ว, ว่าถ้าพูดให้ได้ความชัดก็เรียก ว, ว่าบำเพ็ญบรรัณมีหรือว่าอินทรีย์ให้แก่กล้าด้วยการฝึกตนทรมานตอนอยอะอยู่ในขอบเขตแห่งคำแห่งวินยัย ไม่ใช่ทรมานตนนอกขอบเขตแทงคำว่าวินัยอันนั้นก็มันเป็นลทัทธิของนักบวชอีกจำพวกหนึง่งที่ท่านเรียวกว่าอัตตะกิิมัทฐานุโยคทรมานตนให้เหนื่อยเป่าไม่ได้รับผลจากการทรมานตนนั้นอันนี้เราก็ต้องใช้ปัญญา พิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราพิจารณามันก็จะค่อยเห็นทำให้พิจารณาไม่เห็นเพื่อไม่เห็นทางผิดไม่เห็นทางถูกหมายก็ค่อ ย, อยงั้นโอ้ทางผิดนี่พระพุทธเจ้า ได้ดำเนินมาก่อนแล้วหรือพระสงฆ์สาวกบางท่านบางองค์ก็ได้ดำเนินมาก่อนแล้วอย่างนี้นะฝ่ายสาวกที่มีความเห็นผิดมาแต่เบื้องต้นคือว่าเมื่อยังไม่ได้มาบวชในพุทธศาสนานี่นะเช่นอย่างชดินสามพี่น้องกับบริวานพันหนึ่ง บุญบารมีของท่านก็แก่กล้าลแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังบรรลุมะขนุน ไ, ไม่ได้เลยท่านก็เห็นโทษในกามคุณแล้วก็ชวนกันออกบวชเพราะว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นในโลกท่านก็ออกบวชปฏิบัติตามความเห็นของท่าน เช่นเห็นว่าพญานาคนี้แหละเป็นผู้ทรงคุณวิเศษเมื่อผู้ใ ด, ไ, ดไปไหว้ไปกราบพญานาคแล้วก็จะอยู่เย็นเป็นถุขก็จะมีฤทธิ์มีเดชอะไรไปทำนองนี้นะดังนั้นจึงพาบริษัทบริวารไปสร้างอาสม อยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาแม่น้ำนที น, นี้ส่วนผู้พี่ชายใหญ่นี่อยู่ที่อุลุเวลาประเทศก็ก็คงจะอยู่ริมแม่น้ำเหมือนกันแหละเพราะว่าเห็นรอยบริขาร ไปตามแม่น้ำในเมื่อได้ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็พากันสละเครื่องนุ่งเครื่องหม่มชัดดาของลือสีอันนั้นให้ไร้รอยไปตามน้ำเลยอันนี้ในเมื่อที่ยังไม่ได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านวันนั้นก็พาการบำเพ็ญตบะธรรมตามลัทธิของตนไปพากันขนใสาจากแม่น้ำขึ้นมากองไว้ที่โรงแล้วก็เชื่อเชิญพญานาคมาอาศัยอยู่ในที่นั้นพญานาค ก, ก็มาอาศัยอยู่จริงจะเชื่อเชิญหรือว่า จะมาเองก็ไม่รู้แลวท่านก็ไม่กล่าวไว้ชัดๆเรื่องนี้นะแล้วก็พากันหาไม้แห้งมากองเข้าแล้วก็จุดไฟเผาบูชาพญานาคันนิตันเรียกว่าบูชาไฟแด่พญานาคอย่างนี้เนี่ยความเห็นผิดนะ เมื่อไม่ได้รับคาสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วผู้เป็นสาวก น, นี่อาจเห็นผิดไปก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกองค์ไปนะแบบนี้น ะ, ะก็เป็นบางองค์บางพวกเท่านั้นเองแหละอย่างนั้นเมื่อพระศาสดาทรงเล็งยานส่องสัตว์โลกท่านเหล่านี้ไปต้องขายพยานของพระองค์ พระองค์วิาดูว่าอ๋อท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างบุญบา ร, รมีมาเต็มแล้วสมควรที่จะได้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ในโลกนี้แล้วแต่ว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่เป็นวิชาธิทีมาแต่หลายชาติแล้วมีความเห็นผิดเป็นชอบมาอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ทําบุญะทําอยู่ทําบุญมา แต่ยังมีความเห็นผิดติดตามมาอย่างนี้แหละจำพระองค์จะต้องไปทรมานเอาเพราะว่าท่านเหล่า น, นี้มีทิฏฐิจัดสำคัญว่าจนเป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวเป็นพระอรหันต์และแต่ก็ยังไปไหวพญานาคอยู่นั่นเรียกว่าความเห็นผิด ก็ความเป็นพระอาราหาันนี่ย่อมเป็นผู้บรรลุธรรมสัจธรรมของกิงอันสูงสุดไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าแล้วท่านผู้บรรลุอรหันต์อย่างนี้ท่านจะไม่ไปไหว้สิ่งเหล่านั้นเลยท่านจะกราบจะไหว้แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เท่านั้นเอง รัที่คอมเมนต์ผิดต่างๆวันี้มันก็ยังติดตามมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละชาวอินเดียก็ยังกันนับถือพญานาคก็มีนับถือพระอาทิตย์ก็มีพระจันทร์ก็มียังนับถือแม่น้ําคงคาตื่นเช้ามาแล้วก็พากันไปสู่แม่ฝั่งแม่น้ํำคงคา บางแม่น้ำนั่นเขาเทคอนกรีตเป็นผาผนังไว้ไม่ให้มันพังพา ก, กันไปยืนอยู่แท่นคอนกรีตนั้นแล้วก็ประนมมือไปทางตะวันออกก็กล่าวคำนำ้ัมการกราบไหว้พระอาทิตย์เสร็จแล้วก็พากันกระโดดลงน้ำนั้น แล้วขึ้นมามายืนไหว้อีกยืนไหว้เสร็จแล้วกดกระโดดลงน้ำอีกอยูอย่างนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าเขานิยมกันกี่ครั้งก็ไม่รู้ อ, อันนี้แน่เรียกว่าความเห็นผิดของคนเรานี่มันสืบเนื่องกันมามันทำเอาเยี่ยงอย่างกันมา มันติดติดกันมาเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนว่าไม่ควรเชื่อมงคลตื่นข่าวที่เล่าลือกันมาทํากันสื บ, ส บ, สบต่อมาอันไปเป็นทางที่ไม่ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์นี่เราต้องก่อนที่เราจะเชื่ออะไรลงไปเนระาต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็น ชัดมีเหตุมีผลเพียงพอเสียก่อนเห็นว่าความเห็นอย่างนี้หรือการปฏิบัติไปอย่างนี้เป็นทางพ้นทุกขยิงอย่างนี้นะก็อย่างที่ทางพ้นทุกขพระศาสดาทรงสแสดงไว้เนี่ยไม่มีผิดอะยเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหรือว่ามากมีองค์แปดนี่ ผู้ใดปฏิบัติตามได้โดยความไม่ประมาทแล้วนั้นต้องค้นทุกข์ค้นภัยได้จริงๆอ่ะแต่ทางนี้และทางนั้นก็ต้องอาศัยบุญบา ร, รมีแต่หนหลังมาหนุนส่งอีกส่วนหนึ่งทำให้มีกำลังใจหรือกำลังคุณธรรมอันเข้มแข็งยิ่งขึ้นไป ที่จะต่อสู้กับอำนาจของกิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆซึ่งตนยังละไม่ได้เพราะว่าบุญบา ร, รมียังน้อยอยู่กำลังบุญบา ร, รมีน้อยนะกำลังใจมันก็น้อยมันจึงได้สู้อำนาจกิเลสไม่ได้เป็นอย่างนั้น ดังนั้นนักปราชญ์ทางหลายท่านจึงพยายามสร้างบารมีบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยก็เพื่อที่จะให้บุญบารมีอินทรีย์นี่แหละมันแก่กล้ามันมากขึ้นไปโดยลําดับเมื่อบุญบารมีอินทรีย์แก่กล้าเท่าไหรมันก็กําจัดอาสวะกิเลสไปได้มากเท่านั้นแหละให้เข้าใช้กัน ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนักปฏิบัตทั้งหลายท่านก็จะไม่บำเพ็ญบุญกุศลไม่ฝึกตนทรมานตนให้เต็มความสามารถนหะถ้าอยู่ไปเฉยๆแล้วอินทรีย์มันแก่ไปเองกําจัดกิเลสไปเองอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้ก็เหมือนอย่างที่ท่านเปรียบไว้เหมือนอย่างคนลงเรือ แล้วไม่มีคนถือท้ายนั่งอยู่ในเรือแ ล, ล้วก็ปล่อยให้เรือมันไหลไปตามกระแสน้ำา้า น, นี้กระแสน้ำมันไหลคดไหลเลี้ยวไปไปปะทะกับก้อนกับแก่งอยู่กลางน้ำไอเรือนั้นบางทีก็ไปปะทะกับแก่งกับก้อนหินอะไรโศโคกอยู่ กลางน้ำแล้วก็แตกจมอยู่ในนั้นไม่ไม่ไม่สามารถที่จะไหลไปสู่ทะเลหลวงได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้มีความเห็นผิดอยู่ในใจแล้วดำเนินข้อว่าปฏิบัติไปไม่ถูกทางเช่นนี้กิเลสตัณหามันก็น้อยเบาบางไปไม่ได้เลย เหมือนอย่างหมอวางยาคนไข้ผิดนั่นแหละผิดประเภทเช่นคนเป็นไข่อย่างนี้ไปเอายาแก้โรคค้องนั้นมาให้กินอย่างนี้มันจะหายได้ยังไงอ่ะนั่นแหละคนเป็นไข้ก็ต้องเอายาแก้ไข้นั้นมาให้กินมันก็จึงหายได้ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละบุคคลผู้มีความโลภจัดแล้วอย่างนี้นะหากไม่ยินดีในะการบริจาคทานเช่นนี้ความโลภนั่นมันก็ไม่หายอได้เท่าไรแล้วก็ไม่พอเลยอเมื่อเมื่อความอยากมันรุนแรงอันนี้มันก็เป็นเหตุให้ได้ทําบาปนะ ไปล่อลวงช่อโกงหลอกลวงเอาของผือนมาเป็นของตนหรือนักบวชโลภในกามอย่างนี้นะมีความกำหนัดกล้าไม่ทรมานตนไม่สลละอารมณ์ที่น่ารักน่าใครออกจากกิจใจอย่างนี้มันก็ พ้นทุกไปไม่ได้เลยอย่างนั้นก็ติดอยู่ในทุกแหละถ้าเป็นเครือข่ายคลองเรือนอย่างนี้หวงสมบัติเข้าของเงินทองที่สเสวงหามาได้มากๆนั้นไม่ยินดีที่จะสละเขาของเงินทองนั้นออกไปช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดแคลนเสียเลยอย่างนี้นะ หวงไว้บริโภคแต่ตัวผู้เดียวไอ้ความหวงอันนั้นแหละมันเป็นอุปท า, านยึดโลกอันนี้เป็นที่พึ่งอยู่มันก็ไปโลกอื่นไม่ได้หรือจะเข้าสู่นิพพานก็ไม่ได้เพราะว่ามันพอใจในโลกนี้จิตดวงนี้มันก็เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่โลกนี้ก็เกิดมา่ะได้กมาวุ่นวายอยู่อย่างนี้ นี่แหละบุคคลผู้ทำบุญบริจาคทานตามคำสอนของพุทธเจ้าไอ้ความโลภความตรนี่เหล่านี้มันก็เบาบางไปนี่บุคคลผู้มาเจริญอสุภกรรมฐานพิจารณาเห็นร่างกายอันนี้เป็นของไม่สวยไม่งามเลย เ, เต็มไปด้วย ของไม่สะอาดมีประการต่างๆเช่นสีก็ไม่งามสันฐานคือรูปร่งางหันทัพมองให้ชัดลงไปแล้วไม่มีสิ่งที่น่ารักใครพอใจอะไรหรอกอกลิ่นอย่างนี้นะถ้าหากว่าไม่อาบน้ำชำระขัดใครเสมอๆแล้วมันจะส่งกลิ่นเหม็นออกมาเลย เพรว่า ข, ของเสียมันมีอยู่ในร่างกายนี่นะ น, นั่นแหละที่มันเสียเพราะอะไรลนะ่ะก็อาหารที่เราบริโภคเข้าไปนี่นะมันก็รุ่นแต่ของโสโครกทางนั้นไม่ใช่เลยอืาเอาไปหมักห ม, มมอยู่ภายในกระเพาะลําไส้นั่นนะ่ะนี่และส่วนใดที่ไฟลาดุย่อยไปเลี้ยงร่างกายนั่นนะ่ะ เมื่อมันมันไปเลี้ยงร่างกายทุกส่วนเข้าไปแล้วบันนี้มันมันมันก็หมดอายุลงอ่ะอาหารอันละเอียดที่มันไปเลี้ยงที่มันซึมไปตามเส้นประสาทไปตามเนื้อตามหนังอะไรหมูนั้นนะมันหมดอายุเป็นอ่ะอ่ามันก็ออกว่าเป็นเหงือเป็นไข่เป็นน้ําลายน้ํามูกหมูนเนี่ยเป็นน้ํามูกอะไรหมูนั้นเนะี่ะ เป็นอุจระปัสสาวะเนี่ยอันนี้เรียกว่ากากของอาหารอันละเอียดที่หลังจากไฟทาตมันย่อยแล้วมันย่อยส่วนละเอียดมันเป็นน้ำอันละเอียดแล้วซึมซาบเข้าไปตามร่างกายนี่น ะ, อะไอ้ส่วนหยาบนั่นมันก็ถ่ายเทออกไปมีกลิ่นก็เหม็นอันนี้นะอย่างนั้น ไอ้ส่วนละเอียดที่มันซึมซาบไปสู่ร่างกายนั้นมันหมดอายุมันแล้วมันก็เป็นเหงื่อเป็นไข่ออกมาตามร่างกายนี่แต่ถ้าหากว่าไม่อาบน้ำำําชําระขัดถูด้วยสบู่หรือผงอะไรเช่นนี้แล้วเมื่อมันติดมันจับเกิดกังอยู่ตามผิวหนังนี่แล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นออกไปนี่อ่านี่แหละ เป็นเป็นความจริงที่พุญเจ้าสอนในพิจนานะมีกลิ่นก็เหม็นฮ่มีสีก็ไม่งามอา้าสีผิวเหลืองผิวขาวผิวนิ่มนวลอะไรอย่างนี้นะปรากฏอยู่แล้วช่วระยะหนึ่งคันเมื่อโรคภัยเบียดเบียนเข้าไปแล้วโรคภัยเข้าไปทำเลือด ที่มีสีสันวันลนะสีเปล่งปังอะไรหมดนะั่นโรคภัยมันไปทำให้เลือดตันจางแล้วผิวพรรณอันนี้ก็ซูบซีดเข้าไป อ, อย่างนี้แหละแต่ว่าคนป่วยนะ่ะสังเกตดูสิไม่มีผิวพรรณอ่ ะ, อะหน้าตากระซูบซีด อ, อย่างนี้แหละ ถึงท่านพระพุทธเจ้ายัางว่ามีสีก็ไม่งามอมีกลิ่นก็เหม็นที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่ด้วยบุกโลโลหิตหมายความว่าจิตวิญญาณนี้มาอาศัยธาตุของวันดาบิดาขั้งแรกเรียกว่าปฏิสนธินั่นน่ะจิตดวงนี้อาศัยอยู่ในของโศกอ่ะ อธาตุของมารดาบิดาประสมกันเข้าบุญกรรมตกแต่งให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็เป็นาธาตุดินาธาตุน้นธาตุน้ํนาธาตุไฟธาตุลมนั่นเองาธาตุเหล่านี้เน่ะมันเป็นาธาตุที่มีจิตวิญญาณอาศัยนี่ต้องอาศัยอาหารอาศัยอาหาร ของโสกภพโศโครกโคร่อเลี้ยงมันจึงเป็นอยู่ได้ อ, อย่างนี้นะเป็นอยู่ได้แม้ต้นไม้ใบหญ้าวันนั้นมันกระดูดเอาของโศโคข้อไปหล่อเลี้ยงลําต้นมันจึงอยู่ได้นี่มันมันรว้จะเป็นของมันของโศโกนะมันไม่สานเป็นยังไงอะ่ะ มันมีพลังอะไรทําให้ร่างกายนี้อยู่ได้ต้นไม้ใบหญ้าเหมือนกันถ้าปุ๋ยขี้วัวขี้ควายใส่เข้าไปอย่างนี้งามไม่อันนั้นอ่ะไม่ชนิดนั้นอ่ะเป็นงั้นนี่ให้พิจารณาให้มันเห็นว่าร่างกายอันนี้นะมันชอบกับสิ่งโสโครบไปเอาของสวยสยงามเอาของแห้งของ อะไรมาบำรุงมันไม่ได้เลยเไฟธาตุก็ย่อยไม่ได้ของแข็งแล้วก็ไม่มีน้ำไม่มีอะไรจะซึมไปเลี้ยงร่างกายนี้ได้เลยรังนั้นแหละคนเราจึงได้แสวงหาอ า, อาหารอันอ่อนนุ่มนิ่มอะไรมาบริโภคเข้าไป ไปธาตจึงค่อยย่อยไปหล่อเลี้ยงได้นี่พระพุทธเจ้าทรงสอนละเอียดแล้วอว้เพื่อให้ผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏฏะสงสารอันนี้ได้พิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม เ, าเป็นของโสโครกโสโกภพ แล้วจิตนี่มันจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมา mm. mm. เมื่อมันเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วมันก็คลายความกำหนัดกินดีนั่นแหละเรียกว่าเป็นภูรความโลภหรือความกำหนัดกินดีออกโดยการมาเจริญอสุภะกรรมฐานเป็นอารมณ์สำหรับผู้ครองเลือน อย่างน้อยก็ทําราคะตัณหาเบาบางออกไปจากกิดใจได้คือเป็นผู้ไม่หมกมุ่นอยู่ในความรักความใคร่เกินประมาณบางคนหมกมุ่นอยู่ในความรักความใคร่เกินประมาณจนว่าไม่มีความคิดอ่านที่จะสร้างฐานะของตนให้เจริญรุ่งเรือง ขึ้นได้ผัวพันอยู่แต่ความรักความใคร่เท่านั้นคนเช่นนั้นไม่มีปัญญาคนมีปัญญานี่เขาไม่ค่อยหมุกกุ้นอยู่ในกามคุณเท่าไรหรอกมักจะใช้ความคิดความอ่านแสวงหาเข้าคลองเงินทองเพื่อมาตั้งเนื้อตั้งตัวให้เป็นฝั่งเป็นฝาไม่ค่อยไปเที่ยวในครับไม่ค่อยเป็น คนเจ้าชู้หลายใจอย่างนี้นะพูดเช่นนั้นแหละจึงผู้สามารถครองเลือนให้เจริญรุ่งเรืองตั้งนามสกูลของตนให้ดีเด่นได้เป็นอย่างนั้นคนที่ไม่ไม่โลภในการมกุณนี่นะ ก็ย่อมสามารถทำความเจริญให้แกตัวเองได้ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็นับว่าเป็นผู้มีความสุขทางจิตใจมากจริงเนี่ยเราประพฤติธรรมจันย์เราภาคเพียรละกิเลสตัณหาเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อให้คนยก่องสรรเสริญเพื่อให้คนนำลาบสักการะต่างๆมาถวายให้มากๆ อย่าไปเจตนาอย่างนั้นถ้าผู้ใดเจตนาอย่างนั้นแล้วไม่ถูกทางอ่ะไม่เป็นไปเพื่อกวามพนทุกข์อีกแหละแม้จะทรมานตนเข้มงวดอย่างไรอย่างไรขี้เล็ดมันก็ไม่แห้งลงเลยดัยงนั้นเราต้องปฏิบัติฝึกตนอย่างนี้เพื่อมุ่งให้ราคะโทสะโมหะมานี้เหล่านี้มันแห้งมันเบาบาง ออกไปจากกิจใจโดยตรงเท่านั้นแหละไอ้ผลแห่งการละ ก, กิเลสเหล่านี้ให้เบอบางออกไปจากกิจใจแล้วมันทักบังเกิดขึ้นเองนะเหมือนอย่างเราปลูกข้าวลงในนาอย่างนี้นะเมื่อปรับปรุงดินให้ดีแล้วน้าก็พร้อม อย่างนี้พอปักดำลงไปแล้วไม่ต้องได้อธิษฐานอ้อนวอนอะไรหรอกว่าขอให้ข้าวนี่จงเจริญงองามขึ้นมาีไม่ต้องถ้าทําถูกต้องแล้วมันข้าวนั้นมันงามขึ้นขึ้นมาเองเมื่อมันมีปุ๋ยหล่อเลี้ยงลําต้นแล้วมันก็งามขึ้นมาได้เลย อ, อันนี้ฉันได้ก็อย่างนั้นแหละอัน บุญกุศลนี่ถ้าเราทำถูกทางแล้วไม่ต้องอธิษฐานอ้อนวอนอะไรก็เกิดขึ้นเองอย่างเช่นที่ว่ามาแล้วนี่แหละม า, จาเจริญอสุภกรร ม, มาฐานให้มากๆเข้าไปแล้วจิตคล้ายความกำหนัดยินดีคล้ายความโลภความ อยากไม่มีสิ้นสุดนั้นออกจากกิจใจแล้วใจสงบระงับลงไปใจรวมลงไปแล้วเช่นนี้บุญกุศลก็เกิดขึ้นเองเลยวันนี้น ะ, ะบุญนั่นเป็นชื่อแห่งความสุขคันเมื่อใจมันสงบลงไปแนละ้วมันก็สบายอันนั้นแหละบุญ อยู่ที่ไหนความสุขก็อยู่ที่นั้นที่นี่นะอเห็นนั้นท่านจึงว่าบุญนี่เป็นชื่อแห่งความสุขกุศล น, นี่เป็นชื่อแห่งความเสียสละไม่ยึดไม่ถืออะไรอืถ้าผู้ใดมีอุบายปัญญาสอนจิตให้ละความยึดความถืออในสิ่งที่จะก่อให้เกิดราคะโทสะโมหะนี่นะ มีอวายสอนใจให้ละให้ปล่อยให้วางมันออกไปกุศลมันก็เกิดขึ้นให้เข้าใจคำว่ากุศลเป็นอย่างนี้แหละคือจิตใจที่ฉลาดสามารถละกิเลส่าปธรรมให้ออกไปจากดวงกิจนี่ได้อันนี้นี่เรียกว่ากุศลขอให้เข้าใจเราจะไปหาเอา ตัวตนแห่งบุญกุศลนี่ไม่ได้หรอกไม่มีมีความรู้ของจิตดวงเดียวนี่นะเท่านี้แหละความรู้อันเดียวนี่ให้เพ่งเข้ามานี่เลยหากว่ากุศลมันเกิดขึ้นแล้วจิตใจนี่ก็พ่องใสท่านจึงท่านจึงว่าสองคำพร้อมกันเลยอะบุญกุศล เพราะว่าบุญนี่ทําจิตให้เบิกบานผ่องใสขึ้นมาแล้วจิตนี่ก็ฉลาดแล้ววันนี้นะอ่ามีอุบายแยบคลายอะไรบางเกิดขึ้นในใจได้อันจิตนี่มันจะละกิเลสได้มันต้องมีอุบายนะต้องมีอุบายแยบคลายสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะไปข่มใจละเอาดือด้อด้อนี่มันจะหมดไปแล้วไม่ได้ ไม่ได้ดอกเมื่อเมื่อมันยังไม่ได้รับอุบายอันถูกต้องแล้วมันยังไม่เบื่อไม่น่ายจิตนี่ยังไม่เบื่อไม่น่ายตราบใดแล้วมันจะไม่คลายกิเลสตัณหาที่ทิ้งไปได้เลยให้ฟากันเข้าใจดังนั้นคําว่าศีลสมาธิปัญญานะ่ะมันจึงว่าเป็นอาวุธอันสําคัญนะ สำหรับปราบกิเลสในจิตใจนี้ให้ทอนตัวออกไปได้ลำพังมีแต่ศีลกับมีแต่สมาธิเท่านี้นะเป็นแต่เพียงว่าคมกิเลสให้จมอยู่ไปเท่านั้นเองเนี่ยให้ให้กิเลสมันนอนอยู่เท่านั้นไม่ให้มันมีกำลังลุกขึ้นมาเล่นงานจิตใจนี้เท่านั้นแหละ ขั้นพอสมาธินี่มันถอนออกไปแล้วเอาออกิลเลสมันก็ลุกขึ้นมาอีกตามหลังมาเล่นงานปันจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอย่างนี้แหละดังนั้นเมื่อผู้ผบำเพ็นจิตนี้ให้สงบระงับลงไปแล้ว บนี้เมื่อเวลาจิตนี้มีดรรมธาตุจะถอนจากสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาต่อไปเลยฮะมันเป็นอย่างนั้นหาอุบายคิดสอนจิตนี้เข้าไปอย่างนี้นะอ่าถ้าจิตของใครมากไปด้วยความกำหนัดยินดีอย่างนี้ก็หาอุบายสอนจิตนี้ให้มองเห็นว่า ร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่นะมันไม่มีอะไรที่น่ายินดีพอใจเลยเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกสโสกโผกดังกล่าวมาแล้วนั้นเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเต็มไปด้วยความทุกข์ทนได้ยากลาบากอ่าอย่างนี้นะเพ่งพิจารณาเตือนจิตตัวเองอยู่เนี่ย เมื่อจิตมันเห็นแจ้งสภาวะของร่างกายนี่ตามเป็นจริงแล้วมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่เมื่อมันเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกำหนัด ย, ยินดีไปเรื่อยๆแม้มันยังคลายไม่หมดทีเดียวมันก็คลายไปทีละน้อยละน้อยเมื่อเมื่อจิตนี่คลายความกำหนัด ย, ยินดีออกไปได้เท่าไหรจิตตี้ก็สบาย ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนมีอิสระอยู่ในตัวอืไม่ต้องเดือดร้อนเพราะอำนาจของกิเลสมันมาบังคับให้เกิดความรักความใคร่อะไรต่อในสแสวงหาความรักความใคร่อย่างนี้นะไม่มีหรือนี่ มันจะไม่เป็นแสวงหาความรักความใคร่อะไรเลยก็เพียงแต่แสวงหาปัจจัยสี่มาเลาเลี้ยงตัวเองมาเลาเลี้ยงร่างกายอันนี้เพื่อให้มันเป็นอยู่ไปตามธรรมชาติเพราะว่าร่างกายอันนี้บุญกุศลตกแต่งให้เกิดมาแล้ว แต่บุญกุศลตกแต่งให้เกิดมานี้แล้วไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีข้าวมีน้ำมีผ้ า, า, าุ่งผ้าห่มมาบำรุงมันมันจะอยู่ได้ด้วยบุญที่ตนได้สร้างมาแต่ก่อนนะหาม่ได้เลยบุญสร้างให้รูปกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วร่างกายนี้มันก็ต้องอาศัยข้าวน้าผ้าุ่งผ้าห่ม ที่อยู่ที่อาศัยกันพ้นกันลมกันแดดกันสัตว์ร้ายเนี่ยอาศัยยุกยาอีกเพราะว่ารูปนี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแนละ้วมันจึงมีโรคภัยมาเบียดเบียนถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนผู้ชำนาญเขาจึงคิดค้นปรับปุงยาขึ้นกำจัดโรคในคล้ายนี้ออกไป มูนี้นะล้วนแต่เป็นทุกขลักษณะเป็นลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายนี้ทั้งนั้นเลยทุกครั้งแปลว่าปปทนได้ยากมันทนอยู่ไม่ได้อจําเป็นต้องได้รักษาดูแลประคบประงมอยู่อย่างนี้แหละมันจึงพอประทังอยู่ได้ถ้าไม่บำรุงด้วยประเจี๊ยบีนี้อยู่แล้วอร่างกายนี้มันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะ มันก็มีแต่หิวแห้งแตกดับทำลายมิเท่านั้นเองการแสวงหาปจัจจจ sĩ มาหล่อเลี้ยงร่างกายอันนีนะ้มันแสนยากแสนทุกข์แสนยากแสนลําบากบุคคลทําบาปทํากรรมชั่วใส่ตัวก็เพราะการแสวงหาปจัจเจ sĩ มาหล่อเลี้ยงร่างกายนี้เองนะเพราะบางคนที่ขาดปัญญานี่จะหา ปัจจัยสีนี่โดยตัวไม่ต้องทำบาปไม่ได้คนขาดปัญญานะี่ยแต่หาเอาแต่ในทางที่จะเป็นบาปเป็นกรรมนั่นเองนะเป็นอย่างนั้นเช่นไปหลอกลวงช่อโกงไปลักไปปล้นเอาของผู้อื่นมาหลอเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอย่างนี้นะ เรือค้าขายอย่างนี้ก็เพราะความโลภอยากได้มากก็ช้อโกงเอาโกหกเอากำไรมากๆขายของอะโกหกเอากำไรจากคนผู้มาลูกค้าผู้มาซื้อลูกค้าบางคนเขาไม่รู้อของสิ่งนี้เวลานี้ราคามันขึ้นมาเท่านี้มันไม่รู้ ผู้ขายเห็นว่าลูกค้าคนนี้เสื้อๆก็ว่าเอาราคาแพงๆเอากำไรมากๆเข้าไปหมนี่มันทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะการค้าการขายแล้วก็เป็นการโกหกอีกด้วยเช่นนี้มันก็มีเป็นบาปเป็นโทษนะนั่นแหละคนที่ สร้างบาปสร้างกรรมเพราะการแสวงหาปัจเจศีเนี่ยมันก็มีเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้มาแตไหนแต่ไรเลยหากว่าผู้ใดไม่รู้ตัวไม่หันหน้ามาปฏิบัติทมฝึกฝนจิตใจในี่ให้ละบาปอกุศลออกจา ก, กจิตใจอย่างว่านี่นะแน่นอนถนะ้บาปอกุศลนี่ก็จะนำดวงกิดนี่ไปสู่นรกอบายภูมิ หลังจากตายจากโลกนี้แล้วเป็นนักบวชก็เหมือนกันเออประพฤติล่วงทำล่วงวินัยอยู่แล้วก็ยังพอใจจะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไปอย่างนี้นะไม่คิดที่จะละกิเลสอันเป็นเหตุให้ล่วงทำล่วงวินยัยนั้นให้เบาบางให้น้อยออกไปจากกิจใจเลยอย่างนี้ บาปกรรมเหล่านีนะ้มันก็จะนำไปสู่นรกอบายภูมินี่นหละพระบางองค์ต้องอาบัติปราชิกแล้วก็ปกปิดไว้หาอิทธิพลอะไรมาแวดล้อมตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ทางคณะสงฆ์นั่นตัดสินปรับโทษให้ตนศึกขาลาเพศออกไปก็มีอย่างนี้ น, ะนี่เระเรียก ว, ว่าทำบาปแล้ว รักษาบาปนั่นไว้ในจิตใจไปเรื่อยๆเข้าใจว่าบาปนั่นน่ะเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขความสบายให้แกตนเหมือนความเมตผิดเป็นอย่างนี้แหละที่แท้ บ, บาปนั่นน่ะไม่ใช่มันเป็นมิตรนะมันเป็นศัตรูต่อชีวิตนั่นแหละเมื่อตนละจากล่างอันนี้ออกไปแล้ว บาปกรรมนั้นมันก็นำไปสู่นรกบายภูมิเมื่อเวลาจิตยังครองร่างอันนี้อยู่บุญเก่านั้นยังรักษาอยู่มันก็พอประทงังประทังไปได้ไม่เดือดร้อนหลายอย่างนี้นะเหตุนั้นคนเรานี่นะทำบาปทำกรรมหนักปันใดแล้วก็ยังสบายสบายอยู่กร ถ, ถือว่าการกระทําของตนนั้นไม่เป็นบาปไม่อำนวยผอได้เป็นทุกข์ ความรู้สึกนะั้นนะเพราะว่าตนทํามาบาปอย่างนี้มาแล้วนี่มันก็สบายสบายอยู่นี่ไม่เห็นมันเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรออนะความจริงแล้วนะ่ะบาปกรรมนั่นมันยังให้ผลไม่ได้บุญกุศลที่ผู้นั้นทํามายังให้ผลอยู่ก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่เรื่องนี้นะมันเป็นความจริงเนี่ยก็จึงนํามาพูดบ่อยๆนะั่นเนี่ย คนส่วนมากมองไม่ค่อยเห็นนะ <c oughs> มันถึงไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยบางคนบางพวกนะแต่บางคนก็บางพวกก็รู้ตัวได้เชื่อมัน่นคําสอนของพระพุทธเจ้ากลัวบาปกลัวกรรมอย่างนี้แล้วไม่กล้าปกปิดความชั่วไว้ในตัวถ้าพลั้งเพ้อไปทําลงไปแล้วก็เปิดออกมา ยอมสารภาพผิดแล้วก็สำรวมระวังต่อไปเช่นนี้แล้วทำความดีให้สูงขึ้นแล้วบาปกรรมอันนั้นมันก็ตามสนองไม่ได้เว้นเสียแต่กรรมหนักเช่นอนันตริยกรรมหรือว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านี่อาบัติปารชิกนั่นเป็นอาบัติที่หนัก แก้ไขไม่ได้เลยเป็นอเตกิจฉาอย่างนี้ผู้ใดล่วงอาบาปาราชิกแล้วก็ยังปิดฟังไว้อยู่เนี่ยมันก็เท่ากรับว่ากับว่าตนทําบาปอันหนักแล้วยังปิดบังยังกบบาปอันนั้นไว้เหมือนนี้ยังไม่ยอมสละสมณะเพศอย่างนี้นะบาปกรรมนะมันก็พรอกคูณหนาขึ้นมากๆเข้าไปอีก นี่มันก็นจะต้องตามให้ผลเป็นทุกข์อยู่ไปนมนานทีเดียววะถ้าผู้ใดเป็นอาบัติปาราชิกแล้วรู้ตัวแล้วก็รีบเปลืองเพศสมณะออกไปเอาเครื่องนุ่งห่มของเกระเดมามนุ่งเข้าไปเสียทำมาหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงอัตภาพสัวตนเองทำบุญทำทานไปก็ยังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัย ต่อไปเบื้องหน้าได้อยู่นี่ขอให้เข้าใจเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นนอกจากอาบัติปารชิกลงมาแล้วยังมีทางแก้ไขได้ อ, อย่างที่รู้ๆกันอยู่เวลาบัตสังฆาธิเศษก็อยู่ปริวาติกรรมหรือว่าอยู่มานัดหกราตราีเสียแล้วก็ขออภารต่อสงฆ์ยี่สิบรูปขึ้นไป แล้วก็พ้นโทษนั้นไปได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้เป็นนักบวชเนี่ยให้พากันมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังตนเสมออย่าไปล่วงศึกขาบทวิในน้อยใหญ่ต่างต่างเหล่านั้นมันจะทำให้เราพ้นจากทุกไปไม่ได้ แม้ว่าเราเป็นนักบวชก็จริงนะนุ่งเหลืองห่มเหลืองกอนพร้อมกรนคิว้วอย่างนี้แล้วแต่คนทั้งหลายดูภายนอกเนี่ยว่าดีๆก็เขาก็กราบเขาก็ไหว้แต่ภายในจิตใจนั้นลกชัดอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะ การประพฤติพรหมจรรย์เช่นนี้ย่อมไม่มีผลดีเลยอขอให้เข้าใจกันทุกคนต้องพิสูจตัวเองให้ได้ท่านเมื่อหวังความเจริญในพรหมจรรย์แล้วต้องทำความเพียรต้องสำรวมจิตใจของตนอยู่เสมออย่าให้ราคะโทสะโมหะครอบงำจิตใจได้ ผูกครองเรือนก็เหมือนกันนะฮอย่าให้กิเลสเหล่านี้ครอบงำจิตใจจนทําบาปห้าประการนั้นนะเส็นนี้แล้วก็ตั้งหน้าทําความดีให้สูงขึ้นไปได้เมื่อเว้นจากบาปกรรมห้าอย่างดังที่เราสรัมมทานกันมาเลวนั้นอันนี้ก็เป็นช่องทางที่จะให้ เราได้บำเพ็ญจิตตะภาวนาฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้สงบรังงับจากกิเลสปาประธรรมต่างๆไปได้ดังแสดงมา